สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเรียซูตอนที่สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดรยซูในพระธรรมฮีบรูสองเมื่อวานนี้นะครับผมได้จบอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับผมอยากให้พี่น้องฟังครับพระเจ้าของพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสงาราศีของพระเจ้าและทรงมีสภาวะ เป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ทรงพรดุงไว้ซึ่งสรรพสิ่งโดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ทรงบรรทับปะเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนพี่น้องครับข้อนี้ขึ้นต้นด้วยพระบุตรทรงเป็นมีความหมายก็คือว่า เป็นความหมายเดียวกันกับที่ว่าเราเป็นคือการมีตัวตนอยู่ตลอดกาลครับในไวยากรณ์ของภาษากรีกนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องคาว่าเราเป็นนั้นก็มีความหมายว่าเราเป็นในอดีตอย่างไรเราเป็นในปัจจุบันและเราจะเป็นในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อผู้เขียนฮีบรูใช้คำว่าพระบุตรทรงเป็นหมายความว่าพระเยซูนั้น ทรงเป็นในลักษณะเดียวกันกับพระเจ้าก็คือทรงเป็นในอดีตและทรงเป็นในปัจจุบันและจะเป็นในอนาคตทั้งนี้คําว่าแสงสะท์สง่าราศีของพระเจ้าความหมายของสง่าราศีก็คือแสงสว่างจ้าจ้าขนาดไหนครับจ้าขนาดที่แสบตาแปรบเลยครับหากเปรียบกับในปัจจุบันก็เหมือนแสงสว่างจ้าที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก หรือฟ้าแลบอีกคำหนึ่งครับก็คือว่าแสงสะท้อนมีความหมายสองประการครับก็คือการสะท้อนการสะท้อนของแสงเหมือนกับคนที่ยืนอยู่หน้ากระจกครับเราจะเห็นภาพที่เกิดจากแสงสะท้อนของตัวเราไปกระทบกับกระจกและกลับมาที่ตาของเราในอีกความหมายหนึ่งครับ ก็คือพระเยซูนั้นเองพระเยซูเองทรงเป็นความสว่างในพระธรรมหนึ่งยอห์โบที่หนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อสี่ครับแล้วก็หลายหลตอนเราพบว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นความสว่างพระเยซูก็จัดเองครับว่าเราเป็นความสว่างของโลกนีนครับเพราะฉะนั้นสองความหมายนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจคำว่าแสงสะท้อน สงาราสีของพระเจ้าหรือแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้านะครับก็คือสงาราสีแปลว่าแสงสว่างเจ้าแสงสะท้อนหมายถึงพระเยซูพระเยซูกําลังเป็นผู้ที่สะท้อนสะท้อนใครครับสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกมาความเป็นพระเจ้าออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยครับว่าทั้งสองความหมายพระเยซูกําลัง สะท้อนสง่าราศีของพระบิดาของพระเจ้าของพระบิดาของพระองค์จริงๆครับความสว่างเองก็ออกมาจากพระเยซูด้วยตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าครับพระเยซูนั้นเมื่อถูกมองจากพวกเราทั้งหลายทุกคนเราก็เห็นพระเจ้าพเยซูทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้านัลนมีความหมายว่าพระเยซูกําลังประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และกาศิศิานุภาพของพระเจ้าด้วยความรักและด้วยคุณของพระองค์เรามาดูคำต่อไปนะครับว่าพระเยซูทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระเจ้าอันนี้เป็นภาพที่น่าสนใจมากครับคำว่าสภาวะพิมพ์เดียวกันในภาษากรีกนะครับใช้คำว่า character นะครับ character ก็ เป็นภาษาอังกฤษในสมัยนี้นะครับภาษากรีกสมัยก่อนนั้นก็คือค h a r a c t e r c h a r a c นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสภาวะพิมพ์เดียวคือค h a r a c t ซึ่งแปลว่าแบบลอกที่เหมือนกันเปียกเลยครับเหมือนนะครับเหมือนกันยังกระแพ้กระแกะอย่างนี้นะครับนี่คือความหมายตรงนี้ว่าสภาวะพิมพ์เดียวกันสมัยนี้ครับเราใช้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร ในการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับในโรงพิมพ์เรามีเครื่องพิมพ์ร ะ, ระดับ ป, ปัจจุบันก็คือทันสมัยมากนะครับ o f ซ s e t C C อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ยครับคือสภาวะพิมพ์เดียวกันนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าพระเยซูกับพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันครับมีลักษณะของความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้น นี่หมายถึงการลอกเลียนแบบที่เหมือนกันทุกประการความหมายนี้ครับเพราะฉะนั้นแก่นแท้หรือสาระของพระเจ้านะครับก็จะเหมือนกับพระเยซูและพระเยซูก็เหมือนกับพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นแบบลอกที่เหมือนกันเหมือนกับแก่นแทของพระเจ้าพระบิดาในทุกทุกประการนี่คือการสนับสนุนความเป็นพระเจ้าของพระเยซูริทที่มีน้ำหนักมากที่สุดข้อหนึ่งในข้อบพีครับ เป็นข้อความสนับสนุนความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดข้อหนึ่งในพระคมพีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพระเยซูทรงเป็นสภาวะหรือทรงสภาวะพิมพ์เดียวกันกับพระเจ้าครับต่อไปครับเรามาดูต่อที่เด็ดของวันนี้ก็คือคำว่าทรงพรดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัส อันทรงฤทธิ์ของพระองค์สิ่งจุดเน้นครับก็คือคําว่าพดุงครับพดุงนี้มีความหมายว่านํามาซึ่งหรือเป็นต้นเหตุหรือเป็นการทําให้ยืนหยัดต่อไปทําให้เกิดต่อไปนะครับที่น้องครับคําว่าพดุงนะครับก็คือมีความหมายรวมถึงความต่อเนื่องด้วยครับ พระเยซูเนี่ยผดุงโลกหรือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ทรงพรดุงสรรพสิ่งโดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เท่านั้นเมื่อพระเยซูได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ยังเป็นผู้ก่อเกิดความรอดนะครับเป็นเป็นคู่ก่อเกิดความรอดและรักษาความรอดของเรา โดยการได้ทรงชําระบาปของเราด้วยโลหิตของพระเยซูเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจึงมีความหมายถึงความต่อเนื่องคําว่าผดุงครับมีความหมายของการต่อเนื่องไม่เพียงแต่ต่อเนื่องในเรื่องของการก่อเกิดความรอดยังมีการต่อเนื่องเรื่องของการชําระให้บริสุทธิ์ครับพระเยซูได้ทรงก่อเกิดการชําระบาปด้วยพระองค์เองความรอดเป็นมาจากพระองค์ และพระองค์ก็ยังะดุงนะครับชีวิตของความรอดที่เรามีอยู่ด้วยกันชำระชำระเราให้สะอาดชำระเราให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสรุปใจความในข้อที่สามในวันนี้นะครับก็คือพระเยซูนะครับไม่เพียงแต่ทรงสร้าง ส, งสรรพสิ่งทั้งปวงโดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เอง ในขณะเดียวกันครับพระองค์ก็ทรงชําระเราให้สะอาดจากความบาปของเราพรงยังประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบนอันนี้คือการประทับนั่งแบบเป็นทางการนี้สื่อความหมายถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูครับหรือสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเยซูนะครับการนั่งยังสื่อถึงการทํางานเสร็จเรียบร้อยและการพัก เปเยซูผู้ซึ่งไม่เพียงทรงสร้างกาลปัจรวาลทรงเป็นพิมพ์เดียวกันกับสง่าราศีของพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ได้ก่อให้เกิดความรอดให้กับชีวิตของพวกเราด้วยและหลังจากพระองค์ประกอบพระราชกิจของพระเจ้าเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ได้ประทับณเบื้องขวาพระทัยของพระเจ้าในฐานะกษัตริย์พี่นองครับรเปเยซูเป็นอะไรสําหรับเราครับรเปเยซูเป็นใครสําหรับเราครับ พระเยซูทำอะไรกับชีวิตของเราบ้างหวังว่าพี่น้องจะได้คำตอบในเช้าวันนี้หากพี่น้องฟังไม่ทันไม่เข้าใจครับโปรดกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่จะเข้าใจพระเยซูอย่างถูกต้องอาเมน